คือกำหนดจดจำถ้าจำได้น้อยก็ปฏิบัติตามได้น้อยถ้าจำได้มากก็ปฏิบัติตามได้มากถ้าจำไม่ได้ล่ะมีศรัทธาซะก่อนก็ยังดีเดขอให้มีใจซะก่อนนะนะวันหลังก็พอได้มั้งวันนี้อาจจะไม่พร้อมจะจำแต่ว่าต่ อ, ต อ, ตอไปถ้ามีใจสัอย่างไม่แน่นะหลายคนซื้อพระตไตรปิกไว้ที่บ้านเลย ันศรัทธาและขนาดนั้นนะมันสา ม, มารถที่จะศึกษาต้องการค้นควา้าแต่ของเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นมนะั้งเพราะที่วัดเรามีหลายชุดเลยมายืมท่านไปก็ได้นะพอที่ท่านถ้ามีศรัทธาก็จะเป็นปัจจัยให้ถึงกับได้ยินได้ฟังครั้นฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้ทรงธ ร, รมแล้วก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วคือจำไว้แล้วก็ไม่ได้ว่า จำแล้วเอาไปอะไรเฉยเอาไปไข่ครวนธรรมะนั้นอย่างละเอียดละอออย่างถี่ถ้วน น, นีเช่นฟังเรื่องอริยสัจก็เอาเรื่องอริยสัจไปไข่ครวนอย่างแตกฉานอย่งนั้นเลยฟังเรื่องห้ากติพอจะพิจารณาเรื่องขันห้าอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิษฐนะ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผิดที่เพี้ยนทีว่วิบัติคลาดเคลื่อน ไม่มีมีแต่ธรรมะที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอันถ้าเราพิจารณานะไม่ต้องกลัวว่าธรรมะนั่นแหละหลอกเราหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเพราะเหตุผลของท่านสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะถ้าเราจะกลัวใครหลอกก็กลัวเธอแต่พระพุทธเจ้าไม่หลอกสรรรัรพะสัตว์ทั้งหลายแน่พ่อแม่เนี่ยบางทีสอนลูกบางทีก็สอนด้วยบางทีก็บางครั้งก็ยังหลอกแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ตรัตแต่สัจจะอย่างจริงแท้ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการพิจารณาเนื้อความแห่งคําสอนนั้นอยู่ธรรมะคําสอนนั้นก็จะทนได้ซึ่งการพิจารณาเมื่อธรรมะทนความพินิจได้อยู่ฉันทะก็เกิดนะถ้าหากว่าปฏิบัติถูกนะจะเต็มใจที่จะปฏิบัติจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อแท้แต่เมื่ อ, อไร่เบื่อหน่ายเมื่ อ, อไหร่ท้อแท้แสดงว่าใช่หรือเปล่า ไม่ใช่แล้วน ะ, สะแสดงว่าไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จิตอะบอกจิตเอ้ยกลับมาเถอะนะแต่ไม่ก่อนก็ใช้อย่างไงนะเขบอกว่าขวัญเอ้ยมาเถอะอย่างนั้นก็บอกว่าขวัญแตกกระเจงิงหมดความคิดที่มันฟุ้งไปที่ไหนนะักก็ไม่รู้เฮขวัญเนี่เสียแล้วอนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติถูกฉันท่าก็จะเกิดฉันท่าแปล ว, ว่าความพอใจหรือเต็มใจที่จะทําำะนะไม่มีใครบังคับนะ ถ้าหากว่ามีความเข้าใจคำสอนจริงๆไม่ต้องให้คนมาบังคับเลยไม่ต้องบังคับไม่ต้องครูไม่ต้องเรียดไม่ต้องอะไรกันซากอย่างเพราะเขาเขาเห็นแล้วอะ่ะใช่ไหมเอาคนหิวน้ำแล้วมองเห็นน้ำอยู่อะ่ะต้องบังคับไหมว่าคุณต้องเดินไปกินน้ำเลยต้องมีใครไปสั่งไหมไม่ต้องเพราะเขาเห็นน้ำอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยถูกความหิวความกระหายน้าเนี่ยแผดเผาถึงอย่างไรเขาก็จะเดินตามไปเพื่อที่จะ ดื่มน้านั่นแหละแล้วก็บอกว่าเออน้านี่ยิ่งเป็นน้ำอำาอมตะด้วยนยะเขายิ่งจะรีบไปก็บอกว่าเมื่อชันทะอยู่ก็เกิดอุตสาหะคือความเพียรพยายามนะครับนี่ครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองไตรตรองก็คือไตรตรองด้วยวิปัสสนาปัญญาไตรตรองถึงสภาวะแห่งความจริงเหล่านั้นเที่ยงไหมนไหม โลภะขันเที่ยงไหมเวทนาขันเที่ยงไหมสัญญาขันเทียเท่ยงไหมสังขารขันเที่ยงไหมวิญญาณขันเที่ยงไหมและความคิดเที่ยงไหมเนี่ยนะอ่าถ้าไม่เที่ยงอ่ะเพราะเป็นธรรมะที่เกิดด้วยปัจจัยธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยธรรมะเหล่านั้นมีแล้วก็หามไม่มีอัะนขะันไตรตรองแล้วก็ตั้งความเพียนเพียนพยายามอีกเพื่อที่จะเพ่งให้ควรต่อไป กนะ็มองเห็นทางโล่งๆแล้วนะทาให้เพียรไม่ถึงแน่เมื่อมีตนส่งไปอยู่ย่อมทําให้แจ้งชัดซึ่งปรมาสัจจะด้วยกายก็จะประมาทัศนจะบรมบรมปรมสัจจะสัจจะที่เป็นปรมัติงจริงๆคืออะไรจิตหรือเปล่าเจตสิกรูปหรือนิพพานปรมาทัศั์จะเป็นชื่อของนิพพ า, น, านั้นเด้วยกายกายในที่นี้เงี่ยโสดนา ม, มากาย นา ม, ม ก, กายในที่นี้ก็คือมัคคิตมัคคิตเอ่มัคคเจตสิกนั้นเอะที่มองเห็นนิพพานย่อมแทงตลอดเห็นได้ยินได้ฟังอย่างเพียงพอให้กําหนดดูก่อนภิกษุทั้งไล่ศรัทธ า, ามเมื่อศรัทธ า, มามไม่มีถ้าศรัทธามไม่มีถ้าศรัทธามไม่มีก็เข้าไปใกล้ไหมอย่างไรก็ไม่ไปบ้านอยู่ใกล้เชตะวันก็ไม่ไปเขาบอกงั้น บ้านอยู่ไกลพูเธอเจ้าก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่เกิดการเข้าไปใกล้เาถ้าไม่เข้าไปนั่งไม่เข้าไปใกล้ก็การนั่งใกล้ก็ไม่มีเาเมื่อไม่นั่งใกล้ก็ไม่เงียโสดลงสดับเมื่อไม่เงียสแล้วเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปเปรียบเทียบกับความจริงศัจธรรมเรานั้นเาเมื่อพิจารณาเนื้อความไม่มี ธรรมะ ท, ท, ที่ทนต่อการเพ่งเพนิดก็ไม่มีไม่ธรรมะอะไรเนะเพราะว่าไม่มีสัจจะสักอย่างเพราะฉะนั้นฉันทะก็จะไม่เกิดถ้าฉันทะไม่มีอุตสาหะไม่มีการไตร่ตรองก็จะไม่มีให้ถ้าการตั้งความเพียรเป็นต้นนะสนเปรียบเทียบเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลโดยนัยใดในยัในยหนึ่งมาเปรียบเทียบเอาอะไรมาพิจารณา เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เปรียบเทียบก็คือจำข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปเปรียบเทียบกับความจริงสัจธรรมเรานั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความไม่มีธรรมททะที่ทนต่อการเพ่งพินิจก็ไม่มีไม่ธรรมะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสัจจะสักอย่างเพราะฉะนั้นฉันทะก็จะไม่เกิด ถ้าฉันทาม่มีอุตสาหะไม่มีการไตร่ตรองก็จะไม่มีให้ถ้าการตั้งความเพียรเป็นต้นนะสรุปนับตั้งแต่ศรัทธาไม่มีจนถึงการตั้งความเพียรไม่ได้มีแล้วเธอทั้งหลายเป็นย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดปฏิบัติพลาดแล้วมิช้าปฏิปันนาถภิคเครวี่างนั้น เธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดมิช้าปฏิปันนาฏธรรมเนีเป็นผู้ปฏิบัติผิดดูก่อมพิสูจทั้งร้ายโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรไกลจากพุทธศาสนาทั้งนมนานแล้วเพราะถามว่าไกลาถามว่าทําไมจึงไกลอา้าวถ้าจิตเป็นกุศลใกล้พระพุทธเจ้าไหมไม่ไกลจิตเป็นกุศลนี่ไกลนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ ไกลจากพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลมากเราใกล้หรือใกล้พระพุทธเจ้ามากถ้าเราใกล้มากก็แสดงว่าใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปทุกทีแต่ถ้าเราไกลมากก็แสดงว่าหันหน้าเข้าหาทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ถูกทุกข์ย่างลงแล้วเนไหมเพราะอะไรเพราะว่าขันห้ารูปร่างกายแม้กระทั่งจิตใจนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปนะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาตรูปประคันยกแม้แต่กระทั่งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างกายสวดทรงเนี่ยนะเป็นที่ดูผลแห่งบุญและเป็นผลแห่งบาปเพราะฉะนั้นอิสุกอิสัยนี่ไม่ใช่ผลบุญแน่นอนเะน่ผลบุญไม่เน้นหน้าเกลียดอย่างนี้แนะ่ผลของอกุศล น, นะใครอย่าไปทำเนะี่ยทำนั่นมีโทษอย่างนี้แหละม่ต้องเสียใจยไม่ได้นะนี่แค่นี้ดีนะเป็นโรคเลือรังแย่เลย ต้องหาใบตองกล้วยมานอนแผงนั่นนหะมีนัพระองค์นึ่งอ่ะพระเชื่อว่าพระโกกาลิกะพระโกกาิกะนี่เขาด่าภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะะเขาด่าภาษาริบุตรด่าพระโมคคัลลานะแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปส่อเสียดให้พระพระุทธเจ้านี่แตกแยกจากภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะอีกพระองก็ห้ามอย่จว่าอย่างงั้นเลยพระภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะไม่ได้เป็นอย่างงั้นหรอกทีนี้แกก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ได้หลีกเนี่ยนะด้วยกรรมบางอย่างทําให้ต้องเดินจากพระพุทธเจ้าพรหมมาห้ามแกก็ยังไม่เชื่อกนันนะกิเลสมันมีกําลังมากขนาดนั้นนะโอ้กิเลสมีกําลังเนี่ยพรมหมเหาะมาก็ยังไม่ช่วยไมได้เลยทีนี้ก็บอกว่าตุ่มเล็กๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าๆกังเหมือนกับปลายเข็มเนี่ยนะมันตั้งอยู่ทั่วสรีระเลยตั้ ง, งแต่กลางเยื่อในกระดูก แล้วก็เริ่มขยายขึ้นจากเล็กๆนั่นแนหะมาเป็นเท่ า, มาเมล็ดงาจากมาเมล็ดงาก็ใหญ่โตมาเรื่อยเท่ากับมเมล็ดถั่วเนี่ยเมล็ดถั่วก็ใหญ่เท่ามาเท่ากับพวกมะขามป้อมจากมะขามป้อมแล้วก็เท่ากับพวกอะไรนะี่ยผู้ซานะครับมันก็โรคผู้สาแล้วก็เป็นใหญ่มาเรื่อยเป็นมะตูมอ่อนเล็กๆแล้วมาตูมก็ใหญ่โตไปเรื่อย มันก็แตกทั่วสรีระของมาใกล้แตกและกหมามีฆ่าวันเนี้ยแตกและแสดงว่าเหตุประเภทนี้นะมั่งนะไม่ใช่ผลบุญแน่นอนน่ะนั่นแหละก็ตายแล้วก็ไปปทุมนรกเอฟดีนะปทุมดอกบัวใช่ไหมก็บอกว่าปทุมนรกเป็นชื่อของบริเวณส่วนหนึ่งแห่งอาเวจีนรกนั่นแหละไม่ได้มีชั้นพิเศษอะไรหรอกไปอยู่ชั้นดอกบัวงไงไมันนีนี ก็คือส่วนหนึ่งของปฐุมนรกแต่ของมาแม้ถ้าไปอย่างงั้นก็เสียหายมากนะแต่ให้รู้เธอว่าถ้ารูปร่างกายส่วนหนึ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ผลของบุญอย่างแน่นอนอ่าไปที่มเขมร น, นะนะก็เห็นเห็นพวกหูบางคนงเล็กบางคนก็พ้อมรูปร่างน่ากเกลียดก็แบมือขอสตังค์กันอัะนนะไอ้รูปร่างไม่ดีนี่ก็เป็นผลของกิเลสประเภทไหนรู้ไหมทําไมผิวพรรณจึงไม่ดี โทสะนะโทสะเนี่ยมันเป็นเหตุให้ผิวพันซ้ำโอ้ไม่ต้องให้ชาติหน้าชาตินี้ลองโกรธแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้สักอันนึ่ง น, นะส่งสรกรสอรไปให้ลูก ใ, ให้หลานทําไม่ได้แล้วนะนนเนาะนั่นอกุศลโทสะนี่ก็ผิวพันก็ไม่ดีขณะที่โกรธแล้วแล้วเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะไปเป็นอุปปีละกตกรรมแม้กระทั่งบุญให้ผลเนี่ยนะเขาก็ยังไปเบียดบุญให้มัน เศร้ามองใครโกรธมากๆแล้วผิวพรรณไม่งามก็ต่อไปก็ไม่ต้องเสียใจนะถ้าเกิดไม่งามก็เออก็ดีแล้วนี่เอาก็โกรธไม่เห็นเสียใจเลยแมมโกรธมากแล้วเกินวันนี่ไงก็ไม่เห็นเสียใจเลยเพราะผลมันให้ผลก็อย่าไปเสียใจเลยเนี่ยนะปลูกต้นมะมุยตำแย่เนีย่ยปลูกเอ า, ป ล, เอาปลูกเอาเวลามันให้ผลมาก็เออดีนะแม่เจ๋วจริงๆในยพันนี้แม่ให้ผลสมความปรารถนาให้ผลอย่างที่สมหวังทุกอย่าง ปลูกมะม่วงมันก็เป็นมะม่วงอยู่แล้วปลูกพืชเช่นใดก็จะให้ผลเช่นนั้นปลูกโทสะมากๆส่วนหนึ่งก็ผิวพันสามแล้วโทสะนี่มีบริวารอีกนะบริวารของเขาคือมัจฉริยะตะนีขึ้นมาอีกเนี่ยนะบริวารของเขาก็คือผลของเขาก็ทุกยากเป็นทุกขตะเข็นใจรูปชั่วตัวดำแบมือขอทานแบบนั้นเลยเ อ, อเกิดเป็นมนุษย์นะแต่มนุษย์ด้วยกันไม่ไม่อยู่ในสายตาเลยแบบนั้นเลย ไม่มีใครแทบมองแทบมองไม่เห็นเลยมีก็เหมือนไม่มีใช่ไหมขนาดนี้เกิดมาด้วยผลของบุญนะแต่ว่าบุญเหล่านั้นถูกอกุศลเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเขาก็เลยเกิดในตระกูลตามโรคไม่ดีเป็นต้นเนี่ยลยเพราะฉะนั้นอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมันมีโทษเหมือนกับเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีโทษชนะเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นในกายมันก็เบียดเบียนกายให้เสียหาย กิเลสหรือจิตที่เป็นอกุศลเมื่อมันเกิดมันก็ทําให้ความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าเราไม่สงสารตัวเองก็คิดให้มันเป็นกอกุศลมากๆนะคิดนะเวล า, ากุศลเกิดขึ้นเราก็ถามง่ายๆเออนี่บอกคุณเอ้ยเป็นศัตรูกันมาแต่ปางนายทําไมหาแต่ทุกข์ให้ตัวเองจังอ่เนะก็ถามเอา้เอาวไม่ได้รักตัวหรอกหรือ เอ า, ารักทำไมทําให้อาคุศลมันเกิดบ่อยจังอะ่ะเอาบอกปรารถนาความสุขแหมแต่แหมเหตุไม่สมผลกับผลเลยกำลังทําแต่อากุศลอยู่บอกว่าปรารถนาความสุขมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเหตุกับผลเนีย่ยนะด้วยอํานาจกรรมปัจจัยเนี่ยนะกุศลก็ย่อมให้ผลเป็นสุขอากุรสก็ให้ผลเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราเอาไว้กระตุ้นตือนจิตสกิจใจของเราบ้างก็คือว่า การพิจารณาโทษของอกุศลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะพิจารณาว่าอากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดบ้างไหมโอ้โหโกโรธแล้วทาให้ฉลาดมากัวใบามากเลยนะคิดอัดคิดทําเนี่ยทะลุโ ป, ปร่ปปรงหมดเลยนี่มีแต่มึดอย่างเดียวเั้ืนกันฮนะฉันความโกโรธย่อมบางคนเป็นประโยชน์ให้เกิดพอตัดสินใจลงไปแล้วนะเสียใจในภายหลัง โจกตัวอย่างโ ก, กรธแล้วผโหยกหูโทรศัพท์ด่าเข้าไปเ ป, ป๊ะๆจบนั่งหายโกรธถายแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นตามมาอีกอะ น, ะนะเหมือนกับทำไอ้แก้วขวดสีให้มันตกอ่ะนะเดินไปปัดขวดสีให้มันตกเสร็จแล้วมา น, นั่งเช็ดแล้วครับนี้นั่งเช็ดไปเฮ้อกว่าจะแห้งกว่าจะซับแห้งบางทีก็เสียหายไปตั้งเยอะแยะแล้วอันอักุศนเหล่านั้นถ้าถึงกระล่วงวัจีกรรมแล้วกระทบกระเทือนกับคนอื่นเนี่ยเขาฟ้องร้องเอาเสียหายใหญ่โตไปเลย เกานความโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นน น, น, นั้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดจากความโกรธนันะบางคนบอกนี่เห็นไหมโกรธนี่แหละจึงได้ดีเลยที่จริงไม่ใช่ความโกรธไม่ได้ให้ผลเป็นสุขแต่เป็นปัจจัยให้กุศลบางอย่างให้ผลได้แต่นั่นคือการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหา literal. แก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหา ติดหนี้นายกอไปยืมนายขอไปจ่ายให้นายคอเงี้ยนโอ้สับสนวุ่นวายไปหมดสรุปแล้วก็ไม่ได้ใช้หนี้อะไรเลยเพราะฉนั้นคนที่คิดว่าตัวเองแก้ปัญหาก็คืออักทาเจริญอักุลุลเช่นด่าเขาแล้วเขาจะจ่ายเงินเราคืนเสร็จแล้วเอาเข้าคืนจริงแต่ที่คืนเนี่ยบุญในอดีตให้ผลนะแต่อาศัยปัจจัยคือการด่าของเราแต่ถ้าเราด่าทาเหตุแบบไห น, นทาเหตุที่ไม่ดี นะแล้วอพอได้เงินคืนก็ไม่ได้ทำกุศลอะไรเพราะฉะนั้นทวงนะไปเรียกว่ากู้นายกมานะแล้วก็นายกเนี่มาทวงคืนไปไปยืมนายขอไปจ่ายให้นายขอนะเสร็จแล้วก็วันหลังนายขอเนี่ยมาทวงใหม่ ไปใจให้นายงอองอีกโอ้มันสับสนวุ่นวายมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายสับสนเหมือนกับหญ้าปล้องหญ้ามงกระต่ายรกชัดเหมือนกับอไม้ไผ่นะโคนไผ่อ่ะโคนไผ่ชนิดไหนนะไผ่น้ำเหมืนนะที่มันโอ้ยมันรกชัดอย่างนั้นจริงเลยนะดงนั้นความคิดของเราทั้งหลายเนี่ยมันสับสนวุ่นวายเดียวเห็นเดียวได้ยินดมกลิ่นสลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะความคิดมันสับสนจนไม่รู้จะสับสนอย่างไรแล้ว กุศ ล, ลจิตเกิดมากมายเอายกตัวอย่างนะถ้าชาวนะเป็นอากุศลมีค่าเท่ากับบาทหนึ่งนะหนึ่งชาวนะเท่ากับบาทหนึ่งวันนี้เสียดุลการค้าหลายหมืน่นหลายพันล้านเพราะว่าชั่วลัดนิ้วมือนหนึ่งจิตเกิดดับแสนโกรธขนาดก็ว่างั้นโอ้โหแสนโกรธบาทก็ไปแล้วแล้วห ล, หลายสิบล้านกว่าจะเช้าจดเย็นเนี่ยโหเสียหายไปขนาดไหนนะแต่ว่าคนที่เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านี้น้อยมาก พราะฉะนั้นอกุศลเกิดขึ้นแล้วความมืดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นภัยที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปในภายในที่เกิดจากอากุศลเหล่านั้นคนที่จิตเป็นอากุศลก็จะไม่รู้สึกจะไม่มีสามัญญาสำนึกอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะสติปัญญาเขาไม่เกิดเขามีแต่ความมืดความโง่ความเค้านะี่นะเพราะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้ามาไม่พูดนะเราได้รับผลแห่งอากุศลทันทีเขอยากใช้ชีวิตแบบนั้นไปลองดูเนี่ย ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกให้เขาเป็นตัวอย่างให้ก็พอเขาเล่นการพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขาหรอกเขาเป็นตัวอย่างสุขภาพกายเนี่ยนึกส่วนไหนก็มีแต่เขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอากุศลมันเกิดขึ้นมันก็จะลักษณะนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสังวรกุศลจิตเกิดยากแต่ว่าผลของเขาละ่ะเขาให้ผลหวานชื่นสุขสมแต่ถ้ า, ากุศลมันให้ผลแล้วก็ขมขึ้นอันชีวิตของสัตว์ที่เป็นทุกข์จึงมากมายมหาศาล ทำเชนไหนเราจะได้ไม่เป็นเช่นนั้นเห็นไหมอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเขาเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้เราก็เพียงพอแล้วเนาะเราไม่น่าไปลองเป็นเหมือนเขาหรอกเนไหมสมมติว่าเห็นเขาเป็นเดรัจฉานแล้วอยากใช้ชีวิตแบบนั้นไปลองดูเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกให้เขาเป็นตัวอย่างให้กพอเขาเล่นการพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขาหรอกเขาเป็นตัวอย่างก็พอแล้วเนไหมไม่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นหรอกฉนั้น คนที่เขาทําบาปทํทอาอกุศลเข้าไปอบายนี่ก็มากมายอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเจริญรอยตามเขาหรือว่าพวกหมากบางคนนี่ชอบนะ เ, ออเขาเยอะไปด้วยไปด้วยจะได้ไม่เหงาเหมือนบวชนี่มันเหงาไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าใจเป็นไปกับคําสอนจะไม่มีคําว่าเหงาจะไม่มีคําว่าวาเวเหงาวาเวเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรเจริญหรือควรละเห็นไหม ใครที่คิดว่างยเหงาแล้วร้องเรียกหาความเห็นใจร้องเรียกหาความสงสารขณะนั้นๆใจเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกขนะ์เนาะทํายังไงเราจะได้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าแทนที่จะคิดถึงนายคนนั้นนางคนนี้โอ้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าดีกว่านะะเอาคิดถึงนายก่อกคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตจะเป็นกุศลเพราะคิดถึงใครคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราควรคิดถึงใครใช่ไหมนั่นก็ มีข้อมูลศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าให้มากๆพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราโง่เขาอยู่แล้วถ้าเรารู้คุณของพระองค์เท่าไหร่เราก็จะเห็นคุณค่าของคำสอนเท่านั้นเหมือนกับบุคคลที่รู้คุณของพ่อคุณของแม่เท่าไรเขาก็จะเห็นทรัพย์เห็นคุณค่าของทรัพย์ที่เป็นมรดกนะถ้าเขาเห็นคุณเห็นคุณของพ่อแม่นะทรัพย์ที่เป็นมรดกแต่ละชิ้นแต่ละอันของเขาเขาจัดทะนุทนอมหองแหน แต่ถ้าคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะไม่หวงแหนกุศลธรรมเขาจะปล่อยใจให้เป็นบาปไปก็ไม่รู้สึกพากันทำบาปโอ้ยทุกข์จริงๆริงเหนไะมันทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาเนะี่กุศลมันให้ผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปเป็นต้องเป็นอะไรเป็นอุทาหรณ์นั้นพระองค์จึงแสดงทั้งดีแสดงทั้งชั่วแสดงทั้งบุญทั้งบาปทั้งผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว แยกแยะให้เห็นโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างไงจะได้มีสภาพจิตที่เป็นไปกับคําสอนให้มากน้อยเนีย่ยนะังนั้นเราทั้งหลายเวลาศึกษาคําสอนก็ควรมุ่งไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรมีจิตใจตรึกนึกตามคําสอนมีพระอริยาสาวกของพระองค์เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในการประพฤติดีปฏิบัติตาม ันการที่เราจะเสริมสร้างกําลังใจนะฮะประวัติของพระเถระพระเถรีมาศึกษาก็ได้พอที่จะให้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าชีวิตของเราสัตว์ไม่ได้ราบเรื่อมากันหรอกนะเรานี่เคยสูญเสียเท่ากับนางปตจราหรือยังมีใครสูญเสียเท่ากับนางปตจราหรือยังอย่างเนาะไม่ได้สูงเพราะนางปตจราเนี่ยทีแรกก็เสียผัวมาก่อเสียลูกหลังจากนั้นอีก พ่อแม่พี่ชายเผาเชิงตะกอนเดียวกันทรัพย์สินไม่มีหรือทรักย์อยากร้องให้ปล่อยผ้าผ้าพรลุล่้ยไปหมดก็เลยเรียกว่าปะปะแปลว่าตกไปอาจาระคือมารยาทแม้แบ่ผ้านุ่งยังหอบหิ้วต่อไปไม่ได้ฟุร้องให้เป็นบ้าแต่ตอนหลังก็ตรัสรู้ทำใครจะรู้ว่าขุนโจรองคอลีมานจะได้ตรัสรู้เป็นพระอวียเจ้าหรือใครจะรู้ว่า นายโคนายเพชรขาตเขาแดงเนี่ยนะโห่ฆ่าคนดั้งมากมายตายแล้วไปสวรรค์เั้นดาวกดึงอ่ะเพราะั้นเข้าไปดีไ ด, ไดนะ้ถ้าเขามีการปฏิบัติตามคำสอนจริงๆแล้วคนที่เป็นบุตรของมหาเศรษฐีเออไปอบายก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมพระเจ้าอาชาติศัตรูไปโลหกุมพีเนาะเนะพระเทวทัพเนี่ยไปอเวจีลึกอีกหน่อยไง คนที่ดูเหมือนดีแต่ก็ไปต่ำก็ได้คนที่ดูเหมือนทุขตะเข็นใจสุ ป, ปะพุทธะคนโรคเรื้อนขี้เรื้อนกินหมดไปทั้งตัวไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยกลางคืนยุงมันเยอะมันก็กัดน้ำก็รอ้องขึ้นคา